เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้บอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวอย่างด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปดูดังๆเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านุนคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ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 สิ่งที่มันมีคุณค่าและทําจิตให้อับเฉาทําทจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นกออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังคมาธรร ม, มามาโนเสษฐามาโนมายะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานส ำ, สำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสัมผัสจางพาดพระสกิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองมีพูดถึงมหาเหตุ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 ในการที่จะต้องสอะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากะจะสอะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่ น, นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่นั้นจึงต้องเรียนถามพระอาจะชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูผร้นในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัส่วนบริษัทริวารสองร้อยห้าสิบคน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 เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวาณที่ไปด้วยกัน250คนพ้ะต่างก็ได้สำเร็จนากผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหนือภาษาลิบุตรและพระโมคโมคันลาแล้วกบว่าเจ็วันพโมกคันลาไม่สาเร็จภาษาลิบุตรสิบห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จ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 ใจนี้ทําไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความขอควรเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียงอะไรใจนี้จะเป็นกรงจับหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาดกับความเกิดแก่เจิดตายพบน้อยพบหนาหมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาธรรมะพูดสรุปความแล้วหลวงแ้่เรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกตลอดกายหาเวลาทุ่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ําระสาเหตุเหล่านี้เสียการําระสาเหตุที่จะตาให้ยังง่ายตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดําเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนะ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 ทั้รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งแล้อจะมีสองประเภทเรืเ่องดื่นเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลําบากที่เราจะเอา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 ไม้ตั้งต้นเราจะเอาอกบไปใสมันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนไโคดงอควันลงจนดัดตรงไหนมันตรงหนักมือมัอนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดในส่วนแล้วก็สยูยหนาจะใช้กบก็ปวดหนาการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย แต่ความขี้เกียดยี้ค้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจค้านความเกียจค้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวทิ้งลายกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้ว จะยากลําบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบุบเบิลเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยไถ่ ย, ยิวความพอใจอีูแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําเรื่องความพอใจมันเป็นไปไดาด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานมันเลวไหลไปหมดไม่เป็นค่าเลย เราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่า ง, งกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยุดยื่ยนชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพลียอะไรให้จำบักหมด ม, มีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสาหรับตัวเรา อันนี้เป็นอาตาย อ, าอาตาหิาตตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุงเห้ติจจังอาตัตังอาขาตาโรตถาคาตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้ที่เล็ดทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้ เราไปทํางานเองเข็นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศัตรูปืนก็หมายถึงสัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตรวิทเพื่อฆ่ากิเลสก็เหมือ น, นเราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรืสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงคราม ดูความอาฆาตชานไทยดูความเฉลเียวฉลาดมากน้อยเท่าไหรเป็นเรื่องของเราเราถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญากัตตาความเพียรที่เหลือก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรานี้ความอาฆาตฉลาดชานไทยคล่องแคล่วกล้าดยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถ จะทำลายกองกี่เหลืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชรยชนะ ก, ก็เป็นข้อหน่าวเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองหิงวาราสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อยากมิสหายอะไรก็แล้วแต่จะรักสนิทกันเท่าไหร่ก็แตะทำให้เป็นอารมณ์ ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้นจะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปได้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตูสิ่งที่เป็นสุขตนต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาปัฏฐานความเพียรของเรามีเท่านี้นที่คู่ที่จะเอาชัยชนะให้หลุก พ้นไปจากสิ่งปิดขวางทั้งหลายที่ขันเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผูกถ้าขันพระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้เท่ารู้ถ่านคาว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเรา เป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันนี้ก็เพราะนากของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนาํามาใช้เพื่อแยแกแยะธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเองก็งเหมือนกันกันกบครั้งพุทธการ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 ขัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิลปะคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียฉลาดให้แล้ทุกเนื้ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนํามากําจัดสิ่งที่เป็นคาศึกดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครท่าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตา ม, ตามพระองค์อย่ึงเวลานี้พุทธกจ้าเข้าสู่สงคราม ท, ท, ท, ท, ท, ทั้งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รูดความรู้เท่ามาถึงการมันก็มีอยู่กับเราใค ร, เใครจะเป็นผู้ลบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเกิดความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่ แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขยังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหน้าปุนหนึ่งอ่ะแต่เราแพ้กับกิเลสนี่เคยแค่มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จั ก, จกเยึงสาภาวะตามหลักคำตังสวเจ้าแล้วมารล่นกับกิเลสยึงจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าขู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าขู่เพราะตถาคต คือผู้แก้วกล้กาสามารถผู้อ า, านหารผู้ชนะในสงสงรามอันใดหลวงได้แก่สงสงรามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกองจักรแห่งวัฏจักรจนคิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือจต่ธรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาตดา ผู้ทรงนามว่าศาสนาเอกเราจะดาเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดาเนินตามรอยแห็ครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อขาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื่อมนำชัยชนะมาสู่เราได้สังโคความโงก ข, ขา ว, ว่าปัญญามีมากเพียงไร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 กิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรือจึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภ า, ายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความจเจริญ ม, มากน้อยเพียงไหรผลที่ปรากฏทอกกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องของโลภความโกรธ ค, ค, ค, ความหลงความรุ่มร้อนภ า, ายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับนั้นะเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธทมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหน นี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะไข่ควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจเกลียดซึ่งอยู่ในใจแล้วจัดคนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพลินก็ถึงใจ เมื่อถึงใจย่อมถึงยินเลยนี่ต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถันดูในสกุลใดก็ตามตามตวัดคำว่าสกุลศัก์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกจิตตาาคนแล้วมีแต่ตั้งหน้าคู่โดยถ่ายเดียว อ่าเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปชาช้าล้มลงที่ไหนเป็นปาช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นปชาช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลศกับธรรมแต่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยางิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังขังสนังกระฉามของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชาชนะอย่างไม่หมายปชาช้า นี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะใหม่มาก่อพบก่อชาตก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นไถ่ต้องเป็นผู้มีสติสตัสตงระ ม, มัดระวังรักษาจิตใจของตนสม่ำยาให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ขาทราบแล้วอย่าให้จับใจ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 เนื้อแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็นที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็จะมาสอนพวกเราได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาด น, นี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและสาวกท่านอันดัอยู่แล้ว ทำไมจะแก้ทีเล็ดไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หมุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบสัที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มนันี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้ที่เด็ดได้นอกจากวิธีการที่เคยดาเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกจองแล้วนี้เท่านั้น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 ที่้ายมาตรงกันหมดปาช่างีิเ็สคือที่ไหนที่เขาศพของีิเ็สคืออะไรเครื่องเขาเสร็จศพของกิเ็สคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาตับฐาความเพียงปาช่างีิเ็สที่ไหนีิเยสมันเกิดอยู่ที่ไหนปาช่างมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นแหละคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญา ตปะปาถังเนี่ยบแปลว่าไฟเผากิเลสตปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิลกเลสเผากิเลสจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าทนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในา จ, จิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายัางไม่ได้ปเปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกําบังความกลางวานนั้นออกอย่างเป็นที่เป็นฐานเท่านั้น ความกัางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกัางวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวปาัาติเสสันผิผา น, นีกัางวานทั่วแดนโลกธาหาหาที่กำหนดกฎเกียนหาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมติอะไรที่จะมาขีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลก เนื้อขอบเนื้อเขตของสมมติประยชน์อะ ไ, ไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได้แก่ที่เด็ดเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดค่าสึกกันเมื่อค่าสึกหมดแล้วก็มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหา อยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีรื่อนนี้นี่แหละนี่แหละท่านเนียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้นี่อยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันผุกคนสิ่งที่ปกติดกำลังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ป็นกุลนานำมีพินิจพิจารณานยกฟิกตัวก็โดยมัน สิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความมูนี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอฤทติการแสดงเพียงเท่านั้